คือหารู้จักทาเป็นที่สลัดออกภาวะดุดรอดปลอดพ้นความเป็นอิสระหรือทางออกแห่งทุกข์คือชารามรณะนี้ไม่เมื่อไรเล่านิสรณะแห่งทุกข์คือชารามรณะนี้จากปรากฏเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชารามรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเพราะโยนิโสมนสิการ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 วิญญาณจึงมีเพราะโยนิสโสมนสิการเราได้มีความรู้ชัดเฉพาะลงด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราได้มีความคิดว่าวิญญาณย่อมวกกลับเพียงแค่นี้ไม่พ้นเลยไปจากนามรูปได้ด้วยเหตุผลเพียงเท่านั้นจึงเกิดแก่ตายจุติหรืออุบัติ อันได้แก่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ จึงมีด้วยประการะนี้จากสุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีหนชาชรามรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชารามรณะจึงดับ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 นามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายัตนจึงดับผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนตสอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนีจักสุเกิดขึ้นแล้วยานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก่เรา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 รู้ชาตซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งชาติรู้ชาต์ซึ่งพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปและวิญญาณรู้ชาต์ซึ่งสมุทยแห่งพบเป็นต้นจนถึงวิญญาณรู้ชาต์ซึ่งนิโรธแห่งพบเป็นต้นจนถึงวิญญาณรู้ชาต์ซึ่งปฏิปทาอันนำไปสู่นิโรธแห่งพบเป็นต้นจนถึงวิญญาณรู้ชาต์ซึ่งสังขารทั้งหลาย